ภายนอกกับงานภายในงานภายนอกนะก็อาจจะไปถึงการทํามาหากินมาถึงการดูแลครอบครัวบางคนยิ่งงานการก็ดีใส่ใจแลบผิดชอบครอบครัวก็เอาใจใสไ่ไม่ละเลยแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ต้องว่างานส่วนตัวงานภายในเรื่องจิตเรื่องใจละเลยันนั้นก็ มีปัญหาเหมือนกันนะเช่อนอาจจะทําไปมากๆเนี่ยกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายเพราะว่านะรับภาระเยอะทําทั้งงานดูแลครอบครัวให้เวลากับครอบครั ว, รวแต่ไม่มีเวลาดูจิต ด, ดูใจของตัวไม่มีเวลาที่จะทําให้จิตใจได้ผ่อนคลายอันนี้เราไม่ได้ทํางานภายในงั้นจึงได้ว่าเรื่องของชีวิตนี่มันต้องอาศัยความสมดุลหลายอย่างมา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 ถ้ากำลังกายเป็นประจำนี่สุขภาพก็จะดีเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องฝึกใจให้แข็งแข็งเพื่อที่สามารถจ ะ, ะทำสิ่งที่เหตุผลบอกว่าดีได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะของการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุขถ้าจิตใจอ่อนแอแล้วเนี่ยไม่ว่าจะคิดเก่งแค่ไหนนะ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 เคยมีสมัยที่หลวงปูด่ดูพรห ม, มปัญโยนะวัชแกยุทธิยาท่านมารณาพากไปหลายปีแล้วท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อมากคราวหนึ่งก็มีชายหนุ่มสองคนนะมาหาท่านสองคนที่เป็นเพื่อนกันนายก่อกับนายขอนายก อ, น, กอนี่ก็พาเพื่อนซึ่งซึ่งติดเล่ามาด้วยพอมากราบหลวงปู่เสร็จนะนายก็บอกเพื่อนซึ่งติดเล่า ว, ว่าเนี่ย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 ก็คือเอาเด็กอายุ4ี่ขวบเนี่ยประมาณ20บกว่าคนเข้ามาในห้องในห้องนั้นเนี่ยก็มีถาดขนมของฝรั่งนี่เขาใช้ม a ชแมนโลนะมัชแมนโลซึ่งเป็นขนมที่เด็กชอบกติกาก็มีง่ายๆว่าเด็กเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้คนละ1ชิ้นแต่ถ้าเด็กรอ15นาทีจะได้กิน2ชิ้นเด็กทุกคนก็รู้ว่าสองชิ้นดีกว่า1ชิ้น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 แล้วก็เลยได้กินสองชิ้นก็มีคนเอาไปทดลองแบบนี้เยอะนะส่วนใหญ่ก็ ค, คล้ายๆกันก็คือว่าเด็กส่วนน้อยเท่านั้นที่อดทนถึง15นาทีครานี้นมันไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะว่าการทดลองนี้เนี่ยเาทเมื่อ40ปีที่แล้วใช่หหลังจากนั้นเขาก็ตามตามผลตามผลเด็กที่เขาเอามาทดลองที่ผ่านการทดลองแล้วก็เพบว่าพอเด็กเหล่านี้โตขึ้นเข้าชั้น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 ติดเกมออนไลน์สมัยก่อนไม่มีนะไอ้อการติดแบบนี้เพราะมันไม่มีเทคโนโลโยีแบบนี้ไม่มีเรื่องแบบนี้ในการติดเล่าติดบุหรีนี่มันมันก็ไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าติดอย่างอื่นมากมายเข้ามาอีกนะแล้วก็กเลยการเรียนก็ไม่ประสบความสําเร็จการทํางานก็มีปัญหาหรือว่าสุขภาพก็ย่าแย่ด้วย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 25หมีนาถึงเจเมษาไอเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะอยากจะไปเยี่ยมพ่อแม่แต่ว่าขอขอก่อนนะไปงานสับดังสือก่อนหรือว่าอยากจะทำสมาธนะิแต่ว่าตอนนี้คืนนี้มี m i d ไนท์เซลนะต้องไปก่อนไอสิ่งที่มันด่วนมันดึงเวลาเราไปมันดึงความสนใจของเราไปทำให้เราไม่มีเวลาที่จะทำในสิ่งที่สำคัญแต่มันไม่ด่วน